วันนี้ก็จะได้พูดตอนสุดท้ายของพระสูตรนะครับข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่รานนเทระเล่าให้ฟังเออไม่ใช่เป็นพระพุทธวจนะแต่ก็ได้สดแสดงในปฐมสังคายนาเหมือนกันคืออย่างที่เอามาบอกในวันก่อนว่าส่วนที่เป็นพระพุทธวจนะนั้นมาจบลงที่คำว่านัตถิดา น, นิปุณัพโวจิหรือบัดนี้พบใหม่ไม่มีเท่านั้น พอจากอิดามโวจะพักวาก็แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตวประสูตรนี้จะปงเป็นต้นนั้นก็เป็นข้อที่พระนนเถระเล่าให้ที่ประชุมฟังแต่เราก็ต้องมองอีกทีนึงว่าพระนนเป็นคนรุ่นหลังบวชมาหลังที่พระพุทธเจ้าสัตรูแล้วก็ไม่น้อยกว่าเจปีท่านก็บอกไว้นะฮะในอัตฉริยบอกว่าพระนนเถระเมื่อเริ่มบวชท่านก็ไปศึกษาจากพระเถระรุ่นเก่ามีพระโกนัญญะเป็นต้น ด้นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสดับแล้วเหมือนกันคือสดับมาจากพระเถระรุ่นเกา่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่จากพระพุทธสํานักนะฮะบางประศุะข้อความพิสดารในตอนนี้ที่ต้องเอาดัวบาลีมาเปิดให้ฟังด้วยให้ดูด้วยนั้นเพราะว่ามันมีข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจหลายประเด็นด้วยกันคือท่านบอกว่าปวติเตจพกวาธรรมจักเกะนะฮะขึ้นตรงนี้ไปแล้วบอกว่า กครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วเราภูมิเทพก็ยังเสียงให้บรนลือลั่นว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิต ป, ปตนามฤุกฐาจวันใกล้เมืองพารนสีอันสมณนะพราหม์เทปดามาณพรมและใครๆ ใ, ในโลกยังเป็นไปไม่ได้ดังนี้ เราเทพเจ้าเราชั้นจาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพีเจ้าเราภูมิมาเทพดาแล้วก็เปล่งเสียงให้บรรลือลั่นต่อไปแล้วก็ เ, เทพดาชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมารดีชั้นปรินิมิตตวัสวัตดีก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นต่อกันไปโดยลําดับช่วขณะเดียวนั้นนะฮะท่านก็บอกว่าเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเอง อิติหะเตนะคนเนนมุเตนะยาวะพระมาโลกาสโดอภพุกจิคือไปสรุปงตรงนั้นว่าโดยขณะครู่เดียวนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนิอยันจะดาดาสะสาศีโลกธาตุตลอดทั้งหมื่นโลกธาตุนี่ก็เป็นการแสดงความรู้เรื่องอะไรตั้งหลายเรื่องนะฮะในตอนนี้ประการแรกก็คือพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดง การเรียกว่าธรรมจักรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไดเรียกเองนะฮะเป็นเรื่องของเทวดาท่านเรียกว่าเป็นธรรมจักรคือจักรคือทำอันพระพุทธเจ้าให้หมุนไปเออปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของเทวดาได้แก่ภูมิเทวดาเออเฉพาะในที่นี้นะฮะท่านแสดงว่าภูมิเทวดาเมื่อได้สดับเสียงพระธรรมเทศนาแล้วก็บอกกล่าวแก่เทวดาชั้นจัตุมาราช ชั้นจาตูมาราชพวกฟังเสียงภูมเทวดาก็บอกกล่าวแก่กันแลยกันแล้วก็บอกต่อไปแก่เทวดาชั้นดาวดึงซึ่งในที่นี้ท่านแสดงเทวดาไว้เป็นระดับเรียกว่าชะกามาพรจรนะฮะที่เป็นสวรรค์หกชั้นภูนมเทวดาเองก็อยู่ในกลุ่มของพวกจาตูมาราช์เหมือนกันเวลาท่านนับก็ท่านนับที่จาตูมาราศ์ชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิต ฉันนิ ม, มารดีจันปรินิ ม, มิตวัตสวัสดีออจารุมาราตเราแสดงว่ามีเทวดารักษาอภิบาลโลกอยู่สี่ท่านนะก็ที่เรารู้กันนะเท้าตรระเท้ากุเวนเท้าวิรุฬหกเท้าวิรุฬปัก็รักษาอยู่ในทิศทั้งสี่คนที่มีชื่อเสียงในบ้านในเมืองเรามากที่สุดก็คือเท้ากุเวนหรือเท้าเวสวร์ก็เป็นเจ้าของผี คนไทยก็ชักกลัวผีเลยนักถื อ, อนายผีเป็นพิเศษแล้วก็ชั้นดาวดึงก็มีทาสกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพดาวติงสะนี่ก็คือ30นะฮะจะหมายถึงว่าเป็นการย้อนต้นประวัติของเทวดายุคหนึ่งที่ท่านไปบังเกิดในที่นั้นก็จากมนุษย์ธรรมดาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ที่จริงมันสาสบสามคนนะ ก็เวลาเ ว, เวลาเรียกแทนแทนที่ท่านท่านจะเรียก30ท่านก็เรียกว่าตาวดิงสะแทนที่ท่านท่านจะเรียกว่า30มสิบสานะฮะท่านเรียกตาวติงสะคือมีเทวด า, ทาเทวดาเกิดขึ้นสามสิบองก่อนอมีเท้าจาตัวเท้าสกเทวราชเป็นหัวหน้าต่อไปก็เป็นสวรรค์ชั้นยามมีเท้าสุยามเป็นหัวหน้าแล้วก็ชั้นดุสิตดุสิตเป็นเปร แปลว่าเป็นที่ยินดีนะฮะตูซิตะก็คือเป็นชียิตีก็มีเท้าสันตุสิทธ์เด็นหัวหน้าก็ชั้นนิ ม, มาดีก็ก็มีเท้าสุนิมชื่อเหมือนสวรรค์นะฮะก็เป็นลักษณะที่แปลกเอาชื่อสวรรค์มาเป็นชื่อของจอมเทพในที่นั้นประนิมิตวสวุบัตดีชื่อสองชื่อหลังนี้ก็เป็นเป็นชื่อที่ฟังแปลก สุดนิมก็คือหมายความว่าต้องการอะไรกรณีมิตเอาชันชันนิมมาราดีนะฮะคือต้องการอะไรกรณีมิดก็ได้กรณีมิ ต, มตวสวัสดีนั้นแล้วคนอื่นเขานิมิตให้คือหมายความว่าตัวเองอยากได้อะไรและจะมีคนขานิรมิตใหต้เรียกตามชื่อนั้นอย่างเป็นอาการอย่างเป็นลักษณะของพราหมณ์คือชื่อก็เรียกอย่างแนวพราหมก็เป็นแนวปฏิรูปชื่อนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ข้อที่ควรจะทําความเข้าใจในเรื่องของสวรรค์นะฮะสวรรค์ในเมืองไทยที่เราติดใจกันมากแล้วก็เรานํามาถกเถียงกันจนถึงกับปฏิเสธเรื่องสวรรค์เนี่ยฮะเพราะหนังสือที่เราอ่านนั้นก็คือเรื่องใจปุ่มพระร่วงใจปุ่มพระร่วงเป็นวรรณกรรมภาษาไทยเล่มแรกในสังคมไทยแล้วก็มีอิทธิพลในสังคมไทยมากแต่ถ้าเราไปดูแล้วหนังสือใจปุ่มพระร่วงมีหนังสือประกรณ์การค้นค้าประมาณ38เล่ม แล้วก็มีอิทธิพลของพราหมณ์อยู่แยะเลยภาษาที่ใช้เรื่องราวที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของสวรรค์ที่ในไตรภูมินั้นมีลักษณะของพราหมณ์เป็นลักษณะของพราหมณ์ถ้าหากว่าท่านลองดูจิตตกรรมฝาผนังที่เขียนตามแนวไตรภูมิพระร่วงจะมีลักษณะเหมือนอะไรมันมันมันซ้อนกันไปนะฮะซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นเหมือนกระจาษออกเหมาจานมนาะซ้อนกัน ลักษณะภูมิศาสตร์ของพราหมณ์มันก็มีอะไรมีเขาวะสุมเมรยอยู่ตรงกลางนะฮะนี่อย่าลืมมาของพราหมณ์เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรพราหมณ์อะไรพุทธนะฮะบางทีมันก็ไปปะปนสับสนการเราโจมตีพุทธทั้งๆ้ที่เอาเรื่องมาโจมตีนั้นเป็นเรื่องของพราหมณ์ก็เราแยกไม่ออกพราหมณ์ก็บอกว่ามียอดเขาวะสุมเมร์เป็นเขาเรียกคล้ายๆแกนกลางของโลกและสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก็อยู่ตรงนั้น ต่ากาท่านอ่านตำนานหรือแม้แต่วันในอะไรในมหาพลนะฮะมหาพลของเวสสันดรเป็นการพรนนาแนวนั้นเป็นการพานานานนนันน า, พานานานแนวในคัมภีร์ของพรามเลยพันนาป่าใหญ่จนถึงภูเขามีอะไรมีสุนทรก ร, รวสสิกราสการอะไรต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าสัตพันธ์ในคีรีนะฮะมันเริ่มไปเมื่อผ่านเนี่ย ม, มันเริ่มไปที่ป่าก่อนแล้วก็มีภูเขาสัตพันธ์คีรีแล้วก็มีสานโนดาดแล้วก็มีเขาขัน้นวิสาโนดาดมีเขาขั้นกันไปเรื่อย จนถึงเชิงภูเขาหิมาลัยก็เป็นที่อยู่ของนักศิวิทยาทอนคนถ่านพวกนี้แนวพรามณทั้งหมดนะฮะพูดไม่ได้แสดงไว้เป็นแนวของพรามณ์ทั้งหมดแหละแล้วก็มาจนถึงเชิงเขาจริงๆก็คือที่อยู่ของเทพเอ่อท้าจัตุมาราชจัตุมาราชทั้ง4ี่อยู่กันคนละชิดนะฮะอยู่กันคนละชิดเป็นการอภิบาลโลกแล้วก็ถึงยอดจริงๆยอดขอปะสุเมนคือไกรลาดสกีรีนะฮะก็คือเจ้าจอมไกรลาดนั่นหมายถึงพระอินท์ ในหนังสือเรื่องรามเกียรติ์ที่เราเรียกว่ า, วาอีส่วนนะส่วนคัมภีเราเราเรียกว่าพระอินท์บ้างเท้าสุชัมบดีบ้างเท้ามาขวานบ้างศาสนายบ้างก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าแปลกอีส่วนนั้นไม่เรียกเรียกคำพีรุ่นอัตกถานะตัวบาลีจริงๆไม่พบคําว่าอีสวนแต่พบคําว่าสักโกนี่มากที่สุดสักโกอินโดนี่มากที่สุดคือเท้าส ก, กะกับพระอินทนี่มากทีนี้ พอไปถึงบนขึ้นนั้นมันก็สอบขึ้นไปแบบจานซ้อนจานซ้อนก็เป็นสวรรค์6ชั้นแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเรื่อยนี่นี่คือจิตกรรมฝาผนังของไทยแต่ว่าเป็นแนวคิดของพรามณ์แล้วเราก็มาโมเมกันว่าเป็นแนวของปุทเราทําให้เกิดสับสนจนจนเด็กในรุ่นหลังแกเรียนวิทยาศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์อะไรมาแกก็ไม่เชื่อมันก็น่าจะไม่เชื่อนะฮะแล้วถ้าถ้าเชื่อมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ที่อินเดียทั้งหมดนะ ทีนี้พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเรียงเป็นรูปพรหมโลกถ้าดูที่กระดานนะเขียนขึ้นไปกลางจะซ้อนแบบจานพรหมโลกนี้ก็มีอะไรมีพรหมปริสัชชะมหาพรหมปุโรหิตามหาพรหมานี่ก็ชั้นของพรหมพรหมปริสัชชะก็คือบริษัทพรหมพรหมปุโรหิตาก็คือที่ปรึกษาพรหมมหาพรหมาก็คือจอมพรหมเป็นเป็นพรหมโลกสามชั้น ต่อไปเขาก็ปริตาภาอปนาภาอาภัสราปริตาภาก็คือมีมีรัศมีเล็กน้อยมีแสงสว่างเล็กน้อยอปมาอปนาภ า, านี่มีรัศมีมากไม่มีประมาณอาภัสอาพัสราก็คือซ้อนหมดเลยคือคือรัศมีครอบคลุมไปหมดเลยต่อไปก็เป็นอัปนาภาอปมานสุภาสุภกินหานี่สามชั้นเหมือนกันนะฮะ ก็พูดถึงรัศมีที่ไม่มีประมาณเหมือนกันทีนี้มันไอตัวอมพัสรามันมันมันซานหมดแล้วเลยเวลาอธิบายรัศมีอีกสามชั้นเลยอธิบายยากแตเกิดมันคลุมหมดแล้วต่อไปก็สุภากินหาแล้วก็ถึงชั้นที่สิบเอ็ดนะฮะเป็นอสัญญีสัตตาที่เราเรียกขันหนึ่งที่เราที่เราเแผ่เมตตากันตะกี้นะฮะ มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ขันห้าก็คือพรหมโลกชั้นที่11แล้วก็อีกหชั้นข้างบนนั้นเป็นสุดท่าวา่าก็ชื่อว่าอาวิหาตะปาสุทธาสาสุา ส, าสีอกคนิษฐานะอันนี้ก็ปรากฏในวรรณกรรมของเราอยู่ด้วยแม้ในเรื่องของโครงสีปราดหรือสีปราดคำสวนในนี้เราก็มีเรื่องเหล่านี้ในเรื่องรามเกียรติก็มีอยู่เยอะการเรียงในลักษณะนี้พอมาถึงนรกมันก็เรียงลงข้างล่างอีก บลงข้างล่างเนี่ยคือเมื่อก่อนอก็เรียกว่าอยุทยาเนี่ยคือคือคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเ่ยคือเมืองเมืองไท e, ยเราชื่นชมสวรรค์มากเพราะงั้นไอ้อะไรของสวรรค์นเนี่ยอยู่ในกรุงเทพหมดแล้วกรุงเทพเองก็คือเทวนครังนะฮะกรุงเทพก็คือเทวนครนั่นเองนะสวนจิตระดาก็อยู่นี้แล้วอยู่อะไรตัวไรเนี่ยก็ชื่อเทพเจ้ า, ช, าชื่อสวนสวรรค์ชื่ออะไรตัวไรก็มาอยู่ในในกรุงเทพหมด เราก็ชอบมากแม้เมืองหลวงของเราเองเราก็ใช้อโยธยาหรืออโยธยาก็เป็นเมืองของสวรรค์ชั้นดาวดึงในความคิดของพระนะฮะพอลงไปข้างล่างมันก็เป็นที่อยู่ของอสูรซึ่งเคยครอบครองสวรรค์ชันดาวดึงมาก่อนอันนี้ก็มีตำนานนานแล้วมาเคยเล่าเรื่องเอติวสูรสงครามให้ฟังเออเรื่องกวนน้ําทิพตแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องธรรมจักรก็เรื่องน้ํามอมฤตที่พูดถึงเรื่องเรื่องน้ํามอมฤตเราก็เล่าให้ฟังว่า พวกเวบปฏิจติอสูรนั้นมันเป็นอมรเหมือนกันคือได้กินน้ําชิปเข้ามาแล้วก็ลงมาก็ไม่ตายพระอินทร์ก็จับโยนลงมาก็มาตกอยู่ใต้ภูเขาเพระสุมเมนหรือสิเนรุก็กลายเป็นเวบปฏิจติบิมานก็อยู่ข้างล่างพอลงไปข้างล่างมันก็เรียงนรกอีกเรียงนรกมันก็เรียงเป็ น, เ, ปนเรื่องชื่อนรกนี่เรียงกันแปลกชื่อไม่ค่อยเหมือนกันก็มีชุดหนึ่งที่อาจจะแพร่หลายมากก็อยู่ในมหาวิบากอยู่ในมาลาย เป็นสันชีพนรกกาลสุตตะนรกสังคาตะนรกโรรุวะนรกหมาโรรุวะนรกตาปณะนรกหมาตาปณะนรกอเวจีมานรกก็มีลักษณะที่อธิบายไว้พิสดารนะฮะซึ่งท่านจะเห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้ที่ทําให้เราเกิดสักสนมากจนนึกว่านรกก็คืออยู่ใต้ดินสวรรค์ก็คืออยู่บนฟ้าแล้วก็จนถึงบ้าในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์อย่างเดชโคนพูดมากเกินนจรเกลนะ <c oughs> <c oughs> นะะจรเกลนที่แกขึ้นไปยานอพอลโลลำที่หกแกบอกว่าแกขึ้นไปแล้วก็ไม่เห็นมีสวรรค์มิมาคือสวะไอ้รังเองก็งงโง่พอกันเรื่องสวรรค์เนี่ยเกิดนึกว่าสวรรค์รออยู่บนก้อนเมฆ อ, อะ่ะ แนวสวรรค์ลอยอยู่บนก้อนเมฆเหมือนจิตกรรมฝาผนังของไทยซึ่งในพระพุทธศาสนาไม่เคยแสดงเรื่องอยนี้ไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์จะแสดงอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าจินตนาการเรานั้นจินตนาการยากเราจึงไม่สามารถที่จะเขียนสวรรค์ตามแนวพุทธได้เมื่อไม่ไม่สามารถเขียนสวรรค์ตามแนวพุทธออกมาเป็นจิตตกรรมฝาผนังเราก็เขียนกันแนวปราพ เพราะ อ, อะไรเพราะวันในพระรามนั้นมันจินตนาการง่ายเหมือนกับจานมาซ้อนซ้อ น, ซ, อ น, ซ, อนซ้อนกนันหลายใบแล้วเขียนเอาก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ของเรานั้นแสดงถึงว่าเป็นโลกกระทาปิดเป็นโลกกระทาเองอย่าลืมว่าเราแสดงหมื่นโลกกระทานั้นเราแสดงตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วว่าสุริยาจักรวานั้นมีนับไม่หวาดไม่ไหวใครมันเป็นกลุ่มดาวสารพัดเลยหลายหลายกลุม่มแล้วก็กลุ่มเราว่าจริงจริงเป็นกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มโลกเราเนี่ย จั ก, กรวาลเรานี่ทร ง, งแสดงว่าเป็นจั ก, กรวาลเล็กๆแล้วก็มีจั ก, กรวาลอื่นเป็นอันมาก เ, เขาเรียกว่าอะไรนะสิบโลกาธาตุเป็นหนึ่งจั ก, กรวาลสูตรกา ร, การคิดของท่านเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เพียงแต่มันผ่านนะฮะคือหมายความว่าในกรณีที่เทธรรมเทศนาต้องผ่านเรื่องเหล่านี้แต่แสดงแบบผ่าน ไม่ได้ตอกย้ำเกินไม่ได้ตอกย้ำเฉพาะในเรื่องนี้เพราะพุทธศาสนาไ ม, ไ, ม ไ, ไม่ได้มาสอนในเรื่องจั ก, กรวานวิทยานะฮะแต่ว่ามาสอนเรื่องอริยศาสตร์ทั้ง4ี่เมื่อมีการแสดงผ่านก็ทรงแสดงผ่านไปแต่แสดงให้เห็นอะไรนะฮะแสดงให้เห็นถึงว่าเรายอมรับถึงความมีอยู่ของสวรรค์ณนะสวรรค์นในที่นี้ไม่ได้ซ้อนเป็นชั้นชั้นอย่างนั้นที่เราแสดงไม่ได้ซ้อนเป็นชั้นชั้นแต่ว่าทรงใช้คําว่าปาราโลก คือโรคอีกแต่ที่แปลกที่สุดก็คือไม่เคยแสดงที่ตั้งไม่เคยแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แลมาพยายามศึกษาค้นคว้าดูทั้งในส่วนพระไตรปิฎกและอัตถกถาสืบสาวจังไปหาปลายเลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็จับประเด็นหลักได้นะฮะว่าประการแรกเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องสวรรค์นั้นถ้าแสดงกับชาวบ้านนั้นชาวบ้านเขาไม่เคยติดใจเรื่องที่ตั้ง เขาถามถึงเหตุไปเกิดในสวรรค์ก็เหตุเกิดในรกเท่านั้นกานเมื่ อ, อหลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควารรู้ควรเห็นและสามารถรู้สามารถเห็นได้พื้นฐานความรู้ของเขาอยู่ระดับนั้นก็ทรงแสดงเท่านั้นซึ่งหมายความว่าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญข้อสาคัญให้ปฏิบัติดีละชั่วคือประเด็นประเด็นหลักมันอยู่ตรงนั้น ทนี้ประการที่สองนั้นเป็นการแสดงกับเทวดาโดยตรงซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดังนั้ น, น, นการมาของเทวดานั้นมันแบบอะไรนะฮะแบบอันตรธานไปท่านบอกว่าเหมือนคู่แข่งเข้าเหยียดแขนออกคือมันเร็วอย่างนั้นเป็นแบบความคิดอย่างที่อามาเคยอุปมาให้ฟังว่าเราเอาเรากำหนดเป็นกาละไม่ได้ หรื อ, อย่างที่พระน่าเกษมท่านอุปมาว่าเหมือนกับ น, นกที่มันเกาะอยู่บนปลายไม้กับเงาที่ปรากฏอยู่ที่พื้นดินนะ่มันพร้อมกันความคิดของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้ถูกขั้นโดยการละเทศะการไปของเทวดาจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วต่อมานี้คือคือเรื่องนี้เอามามาไปศึกษาเรื่องคนที่เขาตายเละระลึกชาติได้ระลึกชาติได้นะฮะแล้วก็ถามเรื่องชีวิต ในขณะที่เขาตายไปในช่วงที่เขาระลึกได้โดยเฉพาะมีอยู่สองคนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายกันเขาเล่าแนวเดียวกันคือหมายความว่าเรามองอาจจะริบลิบพอบอกว่าจะไปแล้วมันถึงบอกจะไปแล้วก็ถึงอ่ะเพราะงั้นไอ้ไ อ, อต้ตัวกาละเนี่ไม่มีนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในภาวะในรูปแบบชีวิตอีกลักษณะหนึ่งนะซึ่งนี่เหมือนกนเรา อาจจะมองไกลขนาดไหนก็ตามแต่นึกว่าจะไปแล้วก็ถึงโดยไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไปมันก็เราจะเรียกว่าเขินว่าเหาะก็ตาม แ, แต่ละแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตเป็นลักษณะกรรมยนิกรรมปฏิสารโนฮะคือคือคือคอย่าอย่าลืมมัน่นมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขที่จะไปที่จะมาได้ทั้งหมดกฎเกณฑ์ต่างๆนี่จะม า, าสนับสนุนในหลักการเหล่านั้นปัญหาสาคัญว่าเมื่อคนที่ ทรงแสดงเรื่องนี้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ตั้งอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือองค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายมีที่พูดเรื่องสวรรค์กันมากที่สุดก็คือพระโมคคัลลานะรองลงมาก็คือพระกัมปติที่พูดเรื่องสวรรค์มากนะแต่บอกก็จริงแล้วท่านเหล่านี้กับพระพุทธเจ้ามาพูดเรื่องสวรรค์ไม่ได้พูดเรื่องที่ตั้งเลยท่านทไมไม่พูดมันไม่จาเป็น ไม่จำเป็นคล้ายๆกับท่านทั้งหลายจะพูดเรื่องบทพระแก้วว่ามีการฟังเทศที่บทพระแก้วมีงานที่บทพระแก้วมันก็พูดอะไรเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นที่บทพระแก้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องที่ตั้งโบทพระแก้วถ้าใครเกิดขยะ น, นั้นที่ตายอธิบายเรื่องที่ตั้งบทพระแก้วเพื่อนก็มองมอ ง, มอ ง, น, งนังนี่มันถ้าจะต้องไปปากคองสาดในาอากาศน่าจะดีนี่เราจะดูว่าลักษณะที่เราพูดกันจริงๆเราก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดเพราะว่าต่างคนต่างรู้แล้ว สถานที่เหล่านั้นพระพุทธเจ้าพูดกับเทวดาเทวดาเขาก็รู้ปุ่มของเขาพูดกับพระอรหันต์ที่ไปมาเองก็รู้แล้ว พ, พุทธเจ้าก็รู้แล้วอรหันต์ก็รู้แล้วเวลาแสดงแกอุบาสกอุบาสิกานะฮะมีตอนที่เสด็จไปเมืองบุศินาราเนี่ยแสดงแสดงพิสดารมากพระมีคนมาถามแต่นั้นนะฮะเขาถามเฉพาะว่าคติที่ไปเกิด คนสมัยนั้นไม่ติดใจข้องใจเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสวรรค์ชั้นนั้นนั่นนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเฉพาะที่เขาสามารถฟังได้เข้าใจไดออ้ปัญหาว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนก็แน่นอนน ะ, ะจะต้องเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรือหลายหลายโลกเรามองในแง่วิชาการปัจจุบันเราจะพบว่าอย่างพระจันทร์เนี่ยมันก็เป็นดาวพระเคราะห์ซึ่งคนในสมัยนี้ชอบอ้างพระจันทร์นะฮะว่าไม่มีชีวิต แต่เรานึกดูไอ้โลกทั้งหลายเนี่ยดาวทั้งหลายเนี่ยมันเรียกว่าแสนโกดอนันตจักรวาลนะมันไม่รู้จักสักเท่าไหร่เดีนี้เราก็ได้ข้อมูลอยู่สองฝ่ายแล้วโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตพระจันทระังคารไม่มีสิ่งมีชีวิตและโลกสองโลกมันจะกาะกลุ่มกันไปอนไอ้กลุ่มที่เหมือนกับโลกเนี่ยมันก็ต้องมีซึ่งอาจจะเร็วกว่าโลกอาจจะประนีตกว่าโลกถ้าเร็วกว่าโลกข้คือนรก ออที่เราเรียกว่าอบายอบายแปลว่าไม่มีความเจริญนะฮะไม่ได้คําอยากภายรายกาอะไรอบายแปลว่าหาความเจริญไม่ได้อย่างวาสันติราชนะนั้นมันเป็นอบายเราจะพบว่าสัตวนติราชนะเราจะฝึกได้ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะฝึกได้อย่างจํากัดเท่านั้นเองเพราะไม่มีความเจริญโดยโดยอัตภาพแล้วในด้านจิตใจนั้นสงชัยคาว่าอภาพะอภพะก็คืออภพ หมายความว่าจะสั่งจะสอนจะอบรมจะทํำยังไงก็ตามสาัตว์ดิเรกษานไม่มีทางรักษาศินห้าได้หรอกสินห้าบา ง, บางชนิดพอไหวนะฮะแต่ถ้าหากก็ปฏิบัติธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปเราเรียกว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นอพภพอยู่ด้วยอัตภาพเนี่ยอัตภาพมันอภัพแม้ขนาดพญานาคซึ่งเป็นกึ่งสัตว์ดิเรกษากึ่งเทพมันก็เป็นอพภพพสัตว์ที่ทรงแสดงว่าไม่สามารถบรรลุธรรมะได้ตราะนั้นจึงหาความเจริญไม่ได้ ความจเจริญในด้านที่อยู่ก็ดีความจเจริญในด้านจิตใจก็ดีมันก็อยู่ไม่ได้เราก็ดูสัตวิเดรจฉานซึ่งเป็นอบายพวกหนึง่งทีนี้ <c oughs> พู้เทวดาก็มีลักษณะอย่างนีง้คือหมายความว่าอาจจะเป็นโลกที่มันมีความประณีตมีความสุขความสบายลักษณะภูมิอากาศเราอย่าไปติดใจมันนะฮะว่าจะต้องมีออกซิเจนเท่านั้นมีไอโซเจนเท่านั้นอะไรต่อไรนี่ฮะเราคิดแบบมนุษย์อะในรูปชีวิตมันไม่ได้รูปเดียวแบบมนุษย์ มันมีสารพัดชีวิตเรามีกรรมโยนิมีกรรมปฏิสารโนโยอย่างที่ว่าเนี่ยมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่สวดกั น, นรูปของชีวิตจึงไม่จําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเสมอไปแบบมนุษย์เราซึ่งชีวิตอื่นอาจจะใช้ไอแก๊สอย่างอื่นก็ได้อากาศอย่างอื่นก็ได้ไดมันไม่ไม่ได้ไเกี่ยวอะไรกันแล้ว ก, ลก็ลักษณะของชีวิตนั้นมันมีแสดงไว้พิสดาร น, นะฮะมีตอนหนึ่งให้ประสูตรมันผ่านไปก่อนคือในสุดในเครื่องประสาทตาวาด ที่อยู่ของสัตว์เก้ากับวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณเจ็ดทิพวพระเจ้าทรงแสดงไว้โดยโดยพระองค์เองเลยนะฮะทีนี้สวรรค์เหล่านี้หมายความว่าอาจจะเป็นโลกทึ่งสองชาติกับโลกเหมือนกันนะฮะชาติกับอิทาโลกกับปารโลกการเดินทางจากโลกอิทาโลกไปสู่ปารโลกนั้นก็เคยถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีการถกเถียงกันสมัยหลังก็มีการถกเถียงกันเรื่อย ส่วนมากแล้วท่านจะแสดงในรูปของการไปอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาหายไปก็ตัดเถวันตรรกายิบาลีจะใช้คาว่าอย่างนั้นได้อันตรธานไปจากที่นั้นคือหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นรูปแบบชีวิตประเภทโอปปาติกะคือตายเอ่อตายไปเกิดในลักษณะที่โตขึ้นมาเป็นวินยุชนแล้วก็ในหลักของมิชชา่ทิฐิสิปอาการเนี่ยในข้อที่สิบ ทรงใช้คําว่านัตติสัตาโอปปาติกาคือใครที่กล่าวว่าโอปปาติกาสัตว์ไม่มีนั้นเป็นมิจฉาทิฐิในมิจฉาทิฐิสิข้อเป็นความเห็นผิด10บข้อนะครแล้วมันมันมันจะโยงกันไปเป็นแถบไปในเรื่องอื่นอีกมากนี้ก็คือประเด็นที่ที่น่าทําความเออศึกษาไว้แล้วก็ลักษณะของที่ตั้งนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าคือเราอย่ามองในแง่มันซ้อนนะฮะไอชั้นในที่นี้คือเป็นความประณีตของชีวิตเป็นชั้นของชีวิต เป็นความประณีตแตกที่แตกต่างกันคุณสมบัติแตกต่างกันเท่านั้นเองฮะซึ่งบางทีท่านอาจจะอยู่ในดาวดวงเดียวกันก็ได้ก็คล้ายๆกับ ค, คนเราเนี่ฮะคล้ายๆ ค, คนเรามันก็มีชั้นของจิตมีชั้นของรูปแบบวิชีวิตที่ประณีตแตกต่างกันเราก็อยู่ในชั้นเหล่านั้นไม่เหมือนกันลักษณะาทางสวรรค์ที่ทางาศาสนาสแสดงไว้จึงมีอยู่หลายนายะมีหลายในยะพระพุทธเจ้านั้น ไม่ค่อยแสดงในเรื่องไอ้โลกอื่นเท่าไหร่หรอกว่าที่จริงนะฮะจะแสดงเฉพาะตอนที่ทำกุศลเวลาแสดงอนิสงส์หรือไม่งั้นก็มีเหตุการณ์มีบุคคลเกิดขึ้นซึ่งมีปัญหาขึ้นมาในที่นั้นหลักการแสดงในเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งนะฮะจะจะรับสั่งมาโน้มน้อมเข้าไปแล้วจะหยุดจะหยุดจะไม่เทุ และจะมีคนถามคิดหมายความมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนีคพระเจ้าจะปรารบเรื่องเหล่านั้นมาจนถึงอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดแต่ว่าทิ้งปัญหาไว้นะฮะมีปัญหาที่คนยังไม่เข้าใจแล้วที่ประชุมนั้นถามพอถามพระพุทธเจ้าจะแสดงแต่นั้นแนวเรื่องนี้จึงมีมีเหตุเกิดสองแนวอย่างที่มาเคยบอกให้ฟังว่าพระสูนย์มันเกิดขึ้นมาสี่แนวนะ แนวหนึ่งคืออัจยะสายของพระองค์แนวที่สองกับ อ, อาศัยคนอื่นแนวที่สามนั้นคือมีเรื่องเกิดขึ้นแนวที่สี่คือคนก็ถามดังในกรณีเช่นเช่นนี้จะอาศัยสองแนวหลังคือมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนแล้วพระองค์จะแสดงปรารบเรื่องเหล่านั้นโน้มเข้าไปหาตัวประเด็นของปัญหาที่จะแสดงแต่ไม่แสดงทันทีแล้วจะหยุดพอหยุดดังจะมีคนมาถามถามพระองค์ก็จะแสดงเรื่องนั้นต่อ นี่ก็คือคือหลักที่ที่น่าสังเกตในพระไตรปิฎกว่าคนฟังต้องมีความพรอ้อมต้องสนใจจึงจะไปแสดงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะฟังยากเข้าใจยากประการปริยายของสวรรค์ <c oughs> ที่ตั้งของสวรรค์ที่ตั้งของนรกอย่างที่บอกแล้วว่าแนวพุทธจริงๆนั้นไม่ได้บอกว่าอยู่ใต้ดินเลยนะไม่ได้บอกว่าอยู่ใต้ดินแบ่งเป็นแดนแดนแบ่งเป็นชั้นชนัมีนรกน้อยนรกใหญ่อุสุธาณรกอะ ไ, ไรต่ออะไรว่าเรื่อยไป อันนั้นคล้ายๆกับแดนในคุก น, นค ล, คล้ายๆกับคุกตารางแล้วบางขวางแตอะไรต่ออะไรคล้ายอย่างนั้นแล้วในคัมภีร์ที่ของพระพุทธศาสนาจริงๆระดับต้นนะฮะระดับหลังนั้นแน่นอนมันก็ยำใหญ่มันก็ปนอะไรต่ออะไรลงไปเยอะระดับต้นจริงๆไม่มีมีระดับหลังนั้นมีฮะหนังสือรุ่นเขาเรียกว่าปรุงมาติของเกจิอาจารย์ในรุ่นหลังอะตอนนั้นมันยำใหญ่หมดแล้วนะฮะยำใหญ่เอาของพรามของเพิ่มมาปนข้าวอย่างที่มาบอกกับของพราม์นั้นพูดง่ายอธิบายง่าย อคนก็เขียนก็ง่ายก็เลยก็สอดใส่เรื่องเหล่านี้เข้าไปแยะก็ค้าๆก็เราอธิบายอย่างเนี้ยฮะอธิบายว่าตายแล้วไม่ไม่เกิดอีกเดี๋ยวมันง่ายกว่าตายแล้วเกิดพูดได้สบายมากนะฮะพูดได้สบายมากไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยตายแล้วไม่เกิดอีกเพราะว่ามีคนท่วงติงแล้วคุณเห็นใครก็มาเกิดมาไม่เห็นมีใครสักคนเราก็หาหลักฐานไม่ได้เพราะงั้นเออเออ แนวความคิดเห็นเหล่านี้จึงแพร่หลายอยู่ได้ตลอดเพราะมันพูดง่ายแล้วคนที่ไม่ชอบไอ้ชาปัญญาพิจพิจารเหตุผลในแง่บาปบุญในแง่ธรรมะคุณธรรมความความดีต่างๆนี่มันมีอยู่มากตัวนี้ก็หากินอยู่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรปัจจุบันก็มีหนังสือกำลังแพร่หลายอยู่เล่มหนึงนะฮะหลายร้อยหน้าทีเดียวแนวนี้ฮะแนวอธิบายแบบนี้สบายมากคือทํเาเขาเขียนตำนานคล้ายๆเขาเก่งกาจเลืเกินเขาคนข้นความใหม่นะฮะ จริงมันเป็นเศษความคิดที่เขาทิ้งขยะไปนานแล้วที่อินเดียนะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าบัติก็ทิ้งไปนานนะเศษความคิด ก, ก่ อ, อ, อนๆแนวของสวรรค์ที่ทางศาสน า, า, าแสดงเอาไว้โดยเฉพาะคื อ, อ, อทั้งเทพดาตั้งเทวดาทั้งสวรรค์นะฮะอย่าลืมว่าเป็นความบระนีตของชีวิตเป็นชั้นของชีวิตแบบโลกเราก็เหมือนกันน ะ, ะเพราะงั้นดังนั้นในโลกเราจึงมีการแสดงถึงเทพไว้ด้วยถึงเทวดาไว้ด้วย ซึ่งหมายถึงว่าอันหนึ่งนั้นเป็นเทวดาโดยสมมติคือชาวโลกเขาสมมติก็แต่ตั้งขึ้นเช่นเป็นพระราชามหาการศัตดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ชาวโลกเขายอมรับฐานะทางสังคมท่านว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เฉพาะชาตินั้นประเทศนั้นนะฮะท่านก็เป็นเทพจะในขณะเดียวกันนั้นได้เปิดโอกาสกว้างไว้สมัครคนที่เป็นเทพ มาความพวกเราทุกคนพร้อมที่จะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเป็นเทพทิดานะฮะและยังอลองดูแม้แต่ว่าคูา่สามีพันยาพระเจ้าก็จัดเป็นรากสุดกับเทพบุตรเทพทิดากา็ยักษ์กับเทพทิดามหมายความมาผัวไม่ดีเมียดีแล้วก็ยักษ์กับยักษ์ยักษ์สากับยักษสีอันนี้เรียบร้อยนะ ด, นด่ากันเช้าด่ากันเย็นนะด่ากลางวันแถงวันละสามเวลาทะเลาะกันเสร็จแล้วก็อยู่กันได้ กัยักอยู่กับยักแล้วเทพบุตรอยู่กับเทพธิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้คํานี้เหมือนกันใช้คํานี้เหมือนกันแล้วก็ลักษณะรูปร่างกายแสดงก่อนนิพพานนะฮะลักษณะรูปร่างกายเนี่ยแสดงก่อนนิพพานตอนมาประทับอยู่ที่อัมพปาลีอัมพปาลีวันนะฮะสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีคณิกาก่อนที่จะเข้าเมืองปาวาแค่นี้เดี่ยก่อนที่จะเข้าไปเมืองไผ่ซาลีนะะ พวกกษัตริย์ลิชวีมาเฝ้ารับสเสด็จทรงราชภูซีตาพรวิจิตพิสดารพระพุทธเจ้าก็ทรงได้รับสั่งแก่ภิกษุต่างๆ ว, ว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงดึหรือไม่แล้วก็ภิกษุก็กราบทูลว่าไม่เห็นยังไม่เคยเห็นก็รับสั่งให้ดูเมลักษณะคล้ายๆเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับกษัตริย์ลิจวีที่ทรงเครื่องภูซีตาพรสวยสดงดงามนี่ เขแสดงว่ารูปของชีวิตมันก็ก็เป็นเป็นชีวิตนะฮะเป็นชีวิตก็แบบค น, คนแต่ว่าก็รูปร่างสวยงามขึ้นแต่เมื่อสองสามวันเนี่ยฮะไปพบเรื่องที่เขาเล่าถึงคนจีนคนหนึ่งที่มาจากเมืองจีนแล้วก็ตายไปประมาณยี่สิบเอ็ชั่วโมงอะไเนี้ยแล้วฟื้นขึ้นมาก็มีลักษณะอย่างที่เกล่าวกันว่าเป็นรูปชีวิตแต่มันมีแปลกอีกอย่างหนึ่งแปลกอย่างหนึ่งว่าของเข้าของเยอะแยะหมดเลย แต่ว่าหยิบกินไม่ได้เอาขึ้นมาไม่ได้ไม่ไม่สามารถเดกินได้มันมันหยิบไม่ขึ้นแกเองนั้นกระหายน้ําเป็นกำลังนะฮะเที่ยหยิบไปนอนหยิบนี้หยิบไม่ขึ้นหมดเลยเขาก็บอกไม่ใช่ของคุณกินไม่ได้ไม่ใช่ของคุณกินไม่ได้แล้วไปที่เขาชี้ว่าเป็นของแกนะมีกองขี้เท่าหน่อยหนึ่งขี้เท่ามาแย่หน่อยนะฮะแ้วก็น้ําเนี่ยฮะมีน้ํากระป๋องกระป๋องลิ้นจีนะสมัยก่อนะกระป๋องลิ้นจี อยู่กระป๋องน่งแล้วก็ให้แกดื่มดื่มแล้วก็มันระ ง, งับกระหายไม่พอน้ํามันน่ะแกก็ขออีกเขาบอกหมดแล้วมีเท่านั้นน่ะตกลงว่าเมื่อแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้ก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนนับถือของจรนะฮะเด็กก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วแกก็เล่า ว, ว่าไอ้น้ําเนี่ยมันนึกออกไอ้กระป๋องในรูปรูปเดียวกันเลยนะแ ก, ยนแกอยู่ในเรือแกอยู่ในเรือ ตอนที่มาจากเมืองจีนนะแล้วก็เรือก็จอดแอ บ, บกันอยู่เอ๋คนงานเรือคนหนึ่งเนี่ยแกเกิดไม่มีน้ําจะดื่มเลยขอน้ําแกก็ตักให้กระป๋องนิงจจนะิให้เพื่อนนะเพราะงันในชีวิตแกนี่เคยให้คนอื่นเนี่ยคือน้ํากระป๋องเดียวเท่านั้น เ, นเองเลยก็ไปได้ดื่มน้ํากระป๋องหนึ่งคนนี้เรียกว่าเข้าถึงใจและรับรองพวกนี้จะไม่กลับเป็นมิจฉาทิฐินะฮะ ตรงนี้เชื่อได้เลยไหมว่าเป็นใครเป็นใครก็ตามจะไม่กลับเป็นมิจฉาทิฐิอีกแล้วนะฮะเพราะเป็นเรื่องอะไรปัจจิตังคือประจักษ์เฉพาะตัวเองเลยดังนั้นไอ้ไ อ, อ, อ, อ้เรื่องเรื่องความเป็นเทวดาในในโลกมนุษย์เนี่ยพระเจ้าก็ก็แสดงมาอย่างว่านั้นคือสมมติเทพชั้นหนึ่งนะแต่ในขณะในขณะเดียวกันก็มีเทวดาโดยธรรมเทวดาโดยธรรมนั้นก็หมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเทพบุตรเป็นเท พ, เเ ท, พทิ่ดาได้ ได้แก่มีอะไรมีหิริกับโอตตปะสําคัญนะฮิริโอตตปะนี่สำคัญมากยาว่าธรรมะสองข้อนะใครรักษาหิริโอตตปะได้แล้วโลกนี้มันไม่เป็นโลกอย่างนี้หรอพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกแล้วนอกจากฮิริโอตตปะมันยังมีอยู่สามชุดน ะ, ะธรรมะที่เน้นว่าทำให้คนเป็นเทวดาในโลกเนี้ยอีกชุดหนึ่งก็คืออะไรคือศรัทธาศีลปาวสัจ น, นะ ศรทาศีลปุสสจาจักขะคือการเสียสละและก็บัญญัอันนี้5้าห้าข้อนะครับหข้อนี้คืออะไรท่านจะเห็นว่าก็คือหลักธรรมที่ทําให้คนสมประสงค์ในสิ่งที่ตนมุ่งหมายกับสัมปรายิกาถประโยชน์โดยเอาตัวปุสัะจันี้ออกถ้าปุสัะจัออกมันจะเหลือสี่จะเป็นองค์ธรรมอีกกลุ่มหนึ่งธมะหข้อนี้ก็ทําให้คนเป็นเทพบระวุตเป็นเทพธิดาได้เลยอย่างหนึ่งก็คือวัตถบท7ซึ่งทรงแสดงว่าท้าสกะได้เป็นท้าสกะใน ในสวรรค์ทัานดาวดึงก็เพราะอาศัยธรรมะเจประการก็มีอะไร ก, ก็ธรรมดาธรรมดานะฮะ <c oughs> แต่ออกจะทํายากหน่อยหนึ่งมาตาเปติพลังชันตุงเลี้ยงดูอุปถากบํารุงมารดาปิดาสองกุเลเชิดถาปจายินังแสดงความระพฤติอ่อนน้อมผอมตนต่อเชตาบุก ค, คลคือผู้ใหญ่ภานในสกุลผู้ใหญ่ที่จะเดินโดยวัยนะสนังสกิขขและสัมภาสังเจรจาถ้อยคําที่ไปละอ่อนหวานเบสุเนยยับปหายินัง งดเว้นวาจาส่อเสียดอายุให้รำตามให้รั่วยุ้คนโน้นทะเลาะคนนี้นะฮะมัชเชระวินเย ย, ยุตตังขาจาัดความสนิทออกไปจากกิจใจสัจจังโกธาบิภุมณรังเป็นคนมีสัจจะแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่ได้ห้ามโกรธนะฮะแต่ว่าข่มความโกรธได้เพราะงั้นเทวดาโกรธได้นะฮะแต่ว่าเทวดาโกรธแลอ้อายุสัน้นอายุสั้นดังนั้นเหตุที่ให้เทวดาจุติจึงทรงแสดงไว้สิ้นบุญสิ้นอาหารสิ้นอายุแล้วก็โกรธ เทวดาพอเริ่มโกรธแล้วอายุเริ่มลดนะแล้วเราเองก็ลองดูกันฮะทดลองโกรธ ว, วันละสามเวลาแนละ้วก็ไม่เท่าไห ร, ร่เดี๋ยวก็แก่แก่มันก็เป็นการยืนยันให้เห็นนะฮะว่าในแง่จริงๆแล้วปริยายนึงในยะหนึ่งเราก็ดูกันได้ในชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยทีนี้สวรรค์อีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็คือรูปของชีวิตที่ประณีตอย่างนามา รูปของชีวิตที่ประณีตหมายความถึงว่าเราไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางครอบครัวนะฮะบ้านก็กลายเป็นสวรรค์มิมาณเป็นการอยู่ของเทพประบุติเทพธิดาอยู่ด้วยกันลูกก็เป็นเทพบุตรเป็นเทพติดาน้อยๆ น, นะฮะมันก็อยู่กันบ้างก็เป็นสวรรค์มิมาณเป็นความสุขความสงบในชั้นหนึ่งเป็นความเพลิดเพลินนะฮะเทวดาแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินมีอาจตั้งต่ออะรเก้าอย่างฮนะอาจตั้งเก้าอย่าง นั่ไขาขาความออกไปโดยสรุปแล้วก็คื อ, อสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะเป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็คือชั้นของความคิดชั้นของความคิดก็หมายถึงว่ามีจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายไม่เดือดร้อนไม่มีความมีตกกังวลก็เรียกว่าอารมณ์เลิศนะฮะสวรรค์ก็คือสรคะสังอัคคะ เป็นไทยก็คือศักขะสามก็คือดีอัคะก็คือยอดเลิศหมายความอารมณ์สูงอารมณ์เลิศอารมณ์ดีแนะปลว่าสวัสดิ์ทีนี้อีกรูปหนึ่งก็คือการประสาทสัมผัสเราเนะี่ยประสาทสัมผัสเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรสกายถูกต้องปุตตะพระและปะจัจจัยศนึกถึงอารมณ์นะถ้ามันเห็นแล้วสบายเห็นเป็นต้นนะเห็นเป็นต้นแล้วสบายใจ เห็นก็สบายใจได้ยินก็สบายใจสูดดมก็สบายใจลิ้มรถก็สบายใจถูกต้องก็สบายใจแล้วก็คิดก็สบายใจแต่มีข้อแม่นะไอ้ตัวสบายใจที่ตัวสมานัตเนี่ยตัวสมานัตนั้น <c oughs> คือสมานัตปรารบวัตถุใดเรื่องอะไรก็ตามนะฮะกุศลที่ยังไม่เกิดมันเกิดเพิ่มขึ้นมีข้อแม่อย่างนั้นนะฮะอกุศลที่เอ่อเกิดอยู่แล้วเสื่อมกุศลเจริญขึ้นแต่อกุศลเสื่อมไป กุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากจริงๆอกุศลเสื่อมไปนี้เราก็ถือเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ทางประสาทสัมผัสเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ได้สวรรค์เยอะวันวันปัญหาว่าเราจะได้หรือไม่ได้มันก็ตัวสําคัญก็อยู่ที่ใจเรานะฮะตัวสําคัญจริงๆอยู่ที่ใจของเรประเด็นตรงนี้นะฮะประเด็นตรงนี้ก็มาถึงหลักมาถึงหลักที่ให้ท่านสังเกต พ, พิจิตรณาอีกประการหนึ่งว่าเรื่องสวรรค์เนี่ย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้จะโดยปริยายเป็นอันมากโดยนัยเป็นนันหนึ่ก็ตามนะฮะแต่ประเด็นสําคัญจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนประเด็นเดียวนะฮะถ้าจเรียกว่าประเด็นหลักประเด็นเดียวคือต้องละบาปบาเพ็ญบุญพอละบาปบาเพ็ญบุญปั๊บเนี่ยฮะหมายความมากระทําความดีละความชั่วรูปชีวิตชั้นชีวิตก็มีความประนีตไม่ใช่อสุรวิมานนะฮะเพราะว่า รูปชีวิตในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าไ ด, ไ, ดได้แสดงประเภทเขาเรียกว่าเวมานิกาเปรตเวมานิกาเปรตคือหมายความว่าเป็นเปรตแต่อยู่วิมานถ้าเราพูดถึงในแง่ธรรมปฏิฐานก็หมายความว่าไอคนที่จิตใจมากไปด้วยความอิจฉาทิษยาอาฆาตมีความละโมบโลภจัดอะไรท่าไรเนี่ยฮะแต่ว่าบ้านช่องอยู่ดีพวกนั้นจิตใจมันร้อนครับมันเป็นเปรตอยู่วิมานเฉย ก็ไม่ได้สุขสบายอะไรเลยก็สู้คนที่จิตใจสบายจะอยู่กับตอบไม่ได้เก็จะไม่รู้สึกหวานระแวงวิตกกังวลอะไรทีนี้พอรูปแบบชีวิตชั้นชีวิตดีไอไอเอ่เ อ, อธรรมะที่เป็นเหตุให้เป็นเทวดาก็มีติดตามมานะและก็สุขภาพจิตก็ดีก็อยู่ที่การกรนะทําดีอยู่ที่การกระทําดีเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็คือนรกนะ นรกเช่นว่าชั้นก็ชีวิตก็ต้องต่ําก็ต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจบางทีรุนแรงอาจจะต้องติดคุกตุนตราหายไปแล้วก็ไอจิตใจก็ปราศจากฮีริโอตาปะไอคุณธรรมภายในครอบครัวก็มีได้ยากแต่จิตใจก็ไม่สบายบางก็อีกอะเราจะเห็นว่าตัวการสําคัญในทางศาสนาจึงไม่ว่าจะแสดงอะไรก็ตามแต่จะมีจุดร่วมของเขานะฮะจุดร่วมจะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปกลัวหรอก โดยนัยะเป็นนันเรก็ตามก็จับปั๊บตรงเนี้ยจับตรงตร ง, ตรงตัวเหตุจริงๆให้ได้แล้วก็เดินไปเฉพาะเหตุเท่านั้นอย่างอื่นมันเกิดขึ้นเด้งเพราะงั้นปัญหาเรื่องสวรรค์นรกนี้วันก่อนนี่ได้ข่าวว่าคุณหมอแกนินทาจะมาว่านับไอน้นินไอ้กาลามะที่วัตถุศิประการในไม่ครบสิบกระท่จริงอะมาไม่ตั้งใจจะพูดเรื่องนั้นนะฮะไม่ตั้งใจจะพูดประเด็นนั้นว่าแหล่งของความเชื่อต่างๆนี้มันจะมีเท่าไหร่ก็ตามมันไม่สําคัญ แต่เอาจริงๆแล้วเราเชื่อเท่านั้นไม่ได้เท่านั้นเองให้ต้องนํามาคิดพิจารณาขึ้นามาเท่านั้นทีนี้ามาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาในกาลามาสูตรนี่ฮะเอาเอารูปบาลีเลยนะเราจะอ่านเฉพาะจากพระตรบิดโดกให้ฟังเลยสรุปมาถึงตรงนี้นะฮะสรุปมาถึงตรงนี้ที่ว่ า, เ, าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ บุคคลเหล่านั้นพินิพิจารณาแหล่งความเชื่อสิบข้อนะฮะว่าอย่าเชื่อโดยโดยอ้างตำนาโดยข่าวเล่าลือโดยฟังสืบต่อกลับมาเป็นต้นเนะะี่ยแต่ต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยใจของตนว่าสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ควรเสพไม่ควรเสพมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและกับเบียดเบียนคนอื่นก็ให้เว้นถึงนั้นแล้วก็ยกเอาโลภะโทสะโมหะขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้พวกกาลามะตอบ เมื่อตอบทั้งก็พิจารณาเห็นพระท่านศึกษามาแจะแล้วก็เอาอารมภาโทสะโมหะขึ้นมาถามแล้วก็ให้ท่านตอบทั้งก็ตอบถูกเสร็จแล้วพระเจ้าก็มาทรงสอนที่ให้แผ่เมตตาไปในสัพพสัตนะให้แผ่เมตตาไปในสัพพสัตโดยมีเมตตากรุณาโมทิตาที่แผ่ไปในทิศ ท, ทั้งสี่พอต่อจากนั้นแล้วก็ทรงชัยนะฮะทรงชัยจะเริ่มจากตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปบอแว่อะไรมาก จำนวนประศูนติหน่อยนะจะอ่านประสูนต์ให้ฟังเลยกาลามชนนะเริ่มจากแผ่ไปเสร็จแล้วนะให้ให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทําความดีไม่ต้องไปคิดอะ้รวุ่นวายเลยแต่ในในที่นี้ทรงยกตัวอย่างพระมิหารสีนะพระมิหารสีก็คือเรือนใจอย่างที่มาเคยบอกนะพระเมตตาก็เหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณาก็เหมือนห้องน้ําห้องอาหารหมุทิตาก็เหมือนห้องรับแขกกุเบขาเหมือนห้องนอนนะคนอยู่ที่บ้านมีห้องออหลายๆ ห, ห้องอย่างนี้ใช้ห้องให้เป็นก็อยู่ได้สบายนะ แต่ว่าใครไปขืนนอนในห้องน้ำก็แย่แล้วเอ่อก็รับสั่งว่ากาลามัชนอนริยาสาวกน้นนันแหละมีจิตหาเวรม่ได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนมีได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้ามองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้จิตหมดจดเป็นต้นนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากมีธรรมะนะับธรรมะคือเมตตากรุณาโมทิตาวิคขาเฉพาะในประเด็นนี้นะฮะ ท่านย่อมเป็นผู้ได้ความอุ่นใจสี่ประการในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ความอุ่นใจข้อที่หนึ่งว่าก้อแลถ้าว่าโลกหน้ามีอยู่ใช่นะสวรรค์นรกปรหมโลกนี่วิบาก ค, คือผลกรรมที่สัตว์ทำดีและทำชั่วมีอยู่สองอย่างนะฮะโลกหน้ามีอยู่ผลกรรมคือทำดีและทำชั่วนั้นมีอยู่ข้อนี้เป็นฐานะที่ตั้งซึ่งเป็นได้ คือหมายความมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีฐานะเป็นที่ตั้งที่จะเป็นได้ว่าพอเราตายแล้วเกิดในสุกติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะเราทําความดีเราทําความดีจเจริญเมตตากรุณามุ้ทีตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะจะประชาระคว่าเบื้องหน้าแต่กายแตกาแตกายไปเราจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุญใจข้อที่นี้เป็นความอุญใจข้อที่หนึ่งที่อริยะสาวกได้รับ ข้อที่นะความบุญใจข้อที่สองว่าก้อแลถ้าว่าโลกหน้าไม่มีประเด็นแรกมีนะฮะข้อที่หนึ่งนั้นโลกหน้ามีข้อที่สองโลกหน้าไม่มีวิบาก ค, คือผลกรรมที่สัตว์ทมดีและทาชั่วก็ไม่มีคือไม่มีสองอย่างประเด็นแรกมีทั้งสองนะฮะทั้งโลกหน้าทั้งผลบุญผลบาปในทิฏฐธรรมนี้เราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวร ไ, ไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขดังนี้ ยังไงยังไงมันไม่มีทั้งสองอย่างในปัจจุบันเราสบายนะฮะเรามีธรรมะคือเมตตากรุณามุติตาเราก็เป็นผู้าสามารถที่จะรักษาตนให้ไม่มีเวรไม่มีไฟไม่มเบียดเบียนกันใครๆก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันได้เน้นที่จุดการกระทำความดีเท่านั้นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องอื่นยุ่งกับเปล่าแล้วก็นี้เป็นความบุญใจข้อที่สองที่ยาสาวกได้รับต่อไปก็ความบุญใจข้อที่สามนะฮะ ก็แล้วถ้าบาปที่บุคคลทําชื่อว่าเป็นอันรรมช่นะหมายความว่าบาปที่บุคคลทําชื่อว่าเป็นอันทำเพราะว่าท่านกาลามะเองนั้นท่านได้ยินในความมาแยะฮะบาปที่คนทําเป็นอันทำบ้างไม่เป็นอันทำบ้างคือบาปไม่มีบุญไอ่บาปมีบ้างไม่มีบ้างอะไรตัวใดเนี่ยฮก็เราไม่ได้คิดบาปแกใครใคือเมื่อเจริญเมตตาแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าทําบาปพูดบาปหรือแม้แต่คิดบาปยังไม่ได้คิดเลยคิดยังไม่ได้คิดอ่ะ ไหนเลยทุกจากมาพร้องผ่านเราผู้ไม่ได้ทําบาปกรรมไว้ดังนี้นี่เราก็สบายใจได้เพราะแม้แต่ความคิดเราก็ไม่ทําบาปอะไรก็เวรภัยไม่ไม่มาแตะต้องเรานี่เป็นความบุญใจข้อที่สามที่ไรสาบกได้รับความบุญใจข้อที่สี่ว่าก้อแลถ้าบาปที่บุคคลทําไม่ชื่อว่าเป็นอันทำไซคือถือว่าบาปที่คนทําไม่เป็นอันทํามสมับคนบางพวกที่เขาถือนะฮะถือว่าบาปไม่มีอะสมมุติว่าบาปไม่มี นี่คือแง่ของสมมุติโดยมีจุดยืนยที่การกระทำความดียกเอาปรมิหารสีเป็นหลักนะบัดนี้เราได้พิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองทางดังนี้แล้วก็รับสั่งวันนี้เป็นความอุ่นใจข้อที่สี่ที่เที่อริยาสาวกได้รับกาลามชนอริยาสาวกนั้นนั่นแหละมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้มีจิตไม่เศาหมองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจุดแล้วอย่างนี้ ในที่ฐธรรมย่อมได้ความอุนใจสี่ประการเหล่านี้คือเมื่อกล่าวโดยสรุปนะฮะกล่าวโดยสรุปว่าความอุนใจทั้งหมดเนี่ยเราสรุปได้สองประการคือหมายความว่าให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีโดยยกเอาพรหมิหารสี่นะฮะในกรณีนี้ทีนี้เมื่อสมมติว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีนะบาปบุญมีนรกสวรรค์มีเราก็ได้สองต่อนะ ได้สองต่อคือชาติปัจจุบันก็สบายชาติหน้าก็ตายไปเกิดในสวรรค์เรามีจุดยืนในที่การกระทาความดีสมมุติว่าบาปบุญมีนะรก อ, อบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราพิจารณาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกันไในชีวิตปัจจุบันเราสบายอย่างน้อยที่สุดได้หนึ่งต่อนะฮะได้หนึ่งคือได้ในชาติปัจจุบันแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยแนวเดิมนั่นเองนะฮะแนวเดิมนั่นเองที่ ที่ให้เห็นว่าความอุ่นใจทั้งหมดเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแก่พระเอแก่อริยสาวกโดยโดยทรงแสดงในตอนต่อไปว่าชาวกาลามะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีรพระภาคเจ้าข้อนี้จริงอย่างนั้นข้าแต่พระสุคเจ้าข้อนี้จริงอย่างนั้น พระเจ้าข้าพระญาสาวกนั้นแลมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้คือแกอย่าย้อนแสดงถึงความเข้าใจพระพุทธดํารัสนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงแสดงว่าเป็นจริงอย่า ง, งนางงั้นอย่างนั้นนั้นแล้วแกแกก็ว่ามาเรื่อยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งถามในตอนแรกนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นชาวการามะก็สันเสริญพระธรรมเทศนาในการสันเสริญพระธรรมเทศนา เ, ออเขาจะใช้แนวเหมือนกันหมดนะฮะ ใช่แนวเหมือนกันหมดเลยว่าไปร้อยิ่งนักพระเจ้าข้าไปร้อยิ่งนักพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าบุคคลห า, ายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางใอ้คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าบุคคลผู้มีจักสุจะได้เห็นรูปแม้ทั้นใดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นทรงประกาศธรรมโดยกระบวนอย่างนี้พระเจ้าข้าข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสนะแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงจำพวกท่านมาว่าเป็น อุบาสก พ, พูดถึงพระธนกรยัยอันนี้ก็โยงเข้ามาหาในตอนสุดท้ายของกาลามสูตรนะเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าปริยายของสวรรค์ในทางศาสนานั้นทรงแสดงไว้โดยอเน ก, กปริยายคือนัยยะต่างๆไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเราจะพูดโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะแ ท, ท้จริงแล้วในปฐมยุกทรงแสดงไว้โดยอเน ก, กปริยายเพราะคำว่าสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศ อารมณ์เลือทางประสาทสัมผัสเนี่ยเราสามารถสร้างสวรรค์ได้สร้างสวรรด์ได้ตลอดระยะเวลาเนะี่ยใครด่าก็ทำไม่ได้ยินแล้วก็สบายแล้ว ไ, ได้สวนนะัรค์ทําไม่ได้ยินคือนี่เราจะเห็นว่าบางทีเราไปสร้างนารกขึ้นมาเองอะ่ะสร้างนารกขึ้นมาเองเพื่อนนินทาเพื่อนเขาว่าไปซักถามจะบอกหน่อยจะบอกหน่อยเขาว่ายังไงอะ่ะแล้วไปถามเขาทำไมอะ่ะเอออย่าถามมันสิ ถ้าถามเราก็ร้อนใจเราเราก็ไม่ถามไม่ถามเราก็ไม่รู้อ่ะเขาดา่าเราไม่ได้ยินให้ดา่าสักกี่ปีเราก็ไม่โกรธอ่ะเนี่ยบางทีเราก็ไปดึงนรลกข้ามาเองนรลกาาถามมาถ่าสัมผัสพิธีปฏิบัติในทางศาสนาจึงมุ่งไปหลายนัยยะซึ่งก็หมายความแต่ละนัยยะนี่เราสามารถทําได้โดยมีจุดทางทิฏฐธรรม์คือที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันเราสัมผัสได้ในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปราคะพบ เราก็สัมผัสได้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตไว้นะฮะว่าคนที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่ทําคนที่สามารถทําประโยชน์ได้ในในปัจจุบันคือทั้ประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นแล้วก็ในภายภาคหน้าทีลชนที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะประกอบ ป, ประกอบประโยชน์ชนกิจให้เกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกห น, น้า ลักษณะของโลกของจั ก, กรวาล น, นะฮะอย่างที่ว่ามาแล้วในแง่ของดวงดาวนะฮะที่มาจบลงด้วยห <c oughs> มื่นโลกธาตุนะฮะจบลงด้วยหมื่นโลกธาตุนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษาแต่เราก็ไม่มีความจําเป็นนะฮะนักจักรวาลวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษากันแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ไกลขนาดนั้นที่น่าอัศาจรรย์ก็คือว่าวิทยาการในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่กันอยู่ มันไปยุติไปลงสมกันกับในพระสูตรของเราของเรามีหลายพระสูตรน ะ, ะแสดงเรื่องจกักรวาลนะฮะแสดงที่อคกขันยสูตรกำเนิดโลกกาเนิดชีวิตนะฮะกำเนิดโลกชีวิตแนวเดียวกับอทฤษฎีวัฒนาการของชานดาวินคล้ายๆกันนะฮะแต่ก็เราใช้คําว่าอาพัสรกรมอาพัสรพรมคือเป็นวัตถุกระทยๆกระโปรงแสงน ะ, ะเป็นรูปแบบชีวิตในลักษณะที่โปร่งแสงเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกนะซึ่ง ของชาดาวินเองก็เกิดมาจากสัตว์เซนเดียวอะไรอะไรเขาเรียกอะไรมีบ้ามีเมื่ อ, อไรอนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้แต่เราจะไปเปรียบเทียบกับของชาดาวินเอ่อของของพระพุทธศาสนากับชาดาวินไม่ได้นะฮะไอ้นี่แกเป็นนักคิดเฉยๆแต่พระเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณเวลาจําเป็นจะต้องแสดงเรื่องเหล่านี้ที่แสดงไอตำนานโลกธาตุเนี่ยฮะ แสดงอุย้ยเราเราไม่ไปเช็คดูเองกัมพูชาุทธศาสนาเนี่ยเราไม่เอามาเปิดเผยอย่างที่มาเคยบอกฮะบอกว่าแม้แต่ศีนห้าเนี่ยว่าที่จริงเราพูดอย่างกลางๆนะฮะเราเทศแบบกลางๆนั่นเองศีนห้าเราไม่ได้เทศศีนห้าแบบละเอียดกันสักทีกนละัวโยมจะไม่กล้ารักษาศีลก็เลยกลอมๆไว้ก่อนเพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันขนาดหนักนะฮะถ้ารักษาได้ละเอียดเนี่ยโลกมันเป็ น, เ ป, นเป็นสวรรค์ไปแล้วนะ ปัจจุบันนั้นเขาคนพบทรงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะฮะพระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปของจักรวาล ร, รูปของจักรวาลหรือแม้แต่โลกอื่นนะฮะแสดงโดยอุปมาในพบในมิรินปัญหาเนี่ยคือบอกมันมันท่านยกตัวอย่างพรหมโลกชั้นแรกนะฮะยกตัวอย่างพรหมโลกชั้นแรกคือพรหมบริสัทธะว่าสมมุติว่าสมมุติแบบตรงๆอย่างเงี้ยตรงๆคือว่าไอ้นั้นอยู่ข้างบนสมมติอย่างนั้นนะฮะแล้วเราจะทิ้งภูเขาขนาดขนาดตึกสวลงมาเนี่ย มันจะเดินทางระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่ไม่ใช่หนึ่งเดืสเดือนถึงจะถึงโลกมนุษย์แสดงไว้ชัดเลยว่าไม่ใช่โลกนี้แสดงไม่ไม่ใช่โลกนี้ แ, นแต่ทําไมจึงต้องแสดงในกรณีนั้นเพราะว่าพระยามิลินแกถามเรื่องที่ตั้งแกถามเรื่องระยะระยะห่างไกลเพราะเมื่อก่อนพูดกันการไปการไปพระนักเกษมบอกว่าเหมือนก็คิดอ่ะเมื่อคิดพระองค์คิดถึงตรงนี้ก็คิดถึงเมืองบ้านเกิดของพระองค์ลองคิดดูเถอะมันมันชาเร็วต่างกาันหรือเปล่า พยายามเีนบอกคิดแล้วเป็นไงชาเร็วกว่ากันเราไม่เท่ากันนะบอกว่าไปเกิดในพรหโมโลกเหมือนกันแหละเวลาไปเกิดมันไม่ถูกขั้นใยการละอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงระยะเอาวัตถุเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติเราภูเขาขนาดเรือนยอดนะฮะเรือนยอดสมัยโบราณขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าใหญ่เรทิ้งลงมาในเดินทางสี่เดือนมันแสดงให้เห็นวราโลกอื่นและคำว่าโลกอื่นในรูปของจักรวาลเรียกว่ามื่นจักรวาลใ น, นที่ว่าอะไรกี้เนี่ย ทุกท่านเจ้าท ร, ทรงแสดงในรูปของกลุ่มกลุ่มดาวที่บรรดูดกันอยู่นี่ฮะดูดกันอยู่เกาะกันเป็นกลุ่มๆแล้วมีพระาทิตย์เป็นเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางจักรวาล น, นะฮะตงใช้คําว่าจักรวาลหนึ่งจักรวาลกี่จักรวาลก็ตามนะใช้คําว่าแสนโกดจักรวาลหรืออ น, นันตจักรวาลปัจจุบันเองนะวิทยาศาสตร์เองก็นับเป็นตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะเขียนไว้ตัวเลขเยอะแยะเป็นหมดเลยอ่านไม่บ อ, อกบอกว่าบางจักรวาลมีพราทิตย์หนึ่งดวงสองดวงสามดวงสดวงห้ดวงหดวงถึงเดวงนะฮะ ที่ส่งแสดงไว้เฉพาะที่ส่งแสดงนะฮะว่ามีถึง7ดวงพราะ7ดวงแล้วไอ้ดาวที่เป็นบริวารเนี่ยมันกระจายออกไปปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์จักรวาลวิทยาที่อเมริกาเองค้นพบนะฮะว่ามันมีอยู่ระบบหนึ่งซึ่งก็บองด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็เห็นนะฮะว่ามีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอยู่หดวงหดวงมีดาวที่เป็นบริวารเนี่ยมาลืมตัวเลขนะฮะรู้สึกว่ากาลี่ยี่3อยู่ขา้างหน้าแล้วต่อด้วยศูนย์ยีตัวเนะะี่ย อาม้าก็อ่านไม่ออกมันก็อ่านยังไง น, นี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าไปยุติกับพระสูตรของเราแต่อย่าลืมมาพุทธเจ้าอธิบายแบบทางผ่านนะฮะอธิบายแบบทางผ่านเฉยเฉยไม่ใช่ไปชี้ประเด็นเหล่านี้เพราะของเรานั้นสอนข้ามาหาตัวสอนให้ศึกษาวิเคราะห์ตัวแล้วดูกรวิสูตรทั้งหลายเราบัญญัติโลกการเกิดขึ้นแห่งโลกความดับแห่งโลกที่สก ล, ลกายนี้ ทีตะกณ์ร่ากายมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมานหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่ ง, ง <S <S สแสดงที่ตรงนี้บัญญัติกันตรงนี้ความเกิดความดับว่ากันตรงนี้ไอ้เนี่ยมันไกลเกินไปไกลเกินไปจากการวาลแล้วก็เรียนแล้วมันไม่ได้เรื่องเรืตะตังเปล่าอย่างรัสเซียกับอเมริกาเดี๋ยมันแข่งกันสร้างยานโซยุสกับยานอพอลโลอันนี้ขึ้นโคลอมเบียละไปไปมามมันก็แก้ปัญหาอแบ่งแยกผิวแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาคนว่างงานไม่ได้ถ้าเอาเงินนั้นมา จากสวัสดิการประชาชนอเมริกาจะอยู่ดีมีสุขขึ้นกว่านี้เยอะนี่ก็พระวจาศาสนานั้นมุ่งบำบัดทูกนะฮะจึงแม้แสดงเรื่องเหล่านี้แต่อย่าลืมว่าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่ากาตเตอร์ในเยเมนีที่มีพระอาทิตย์หดวงฮนะก็แสดง ว, วิทยาศาสตร์ปัจจุบันไปได้แค่ระบบสุญญาจักรวานที่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง6ดวงอ้เจ็ดดวงยังไปไม่ถึงนะต้องใช้เวลานานา น, นะพุทเจ้าทรงสแสดงมาส2ง0 0นกว่าปีนะแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ให้ใหใหใหรายละเอียด เพราะเป็นเพียงทางผ่านทนั้นแสดงแบบแนวทางผ่านอย่างที่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราขืนไปรู้เรื่องโลกเหล่านี้แล้วตายอิตกคิชาติมันก็ไม่รู้มันนะเพราะจั ก, กรวาลเบื้องวางห่างไกลนี่มันนับไม่หวาดไม่ไหวนะนับไม่หวาดไม่ไหวเป็นอนั น, น, นต่จั ก, กรวาลนนะ่ที่ว่าการไปด้วยกายสมบโลกเหล่านั้นจึงไม่มีทางที่เราจะไปถึงได้ทุกแห่ง พระพุทธศาสนาจึงไม่สรรเสริญโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นโลกวิถูนะทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งสัตว์โลกทั้งสังขารโลกทั้งโอกาสโลกคือดวงดาวต่างๆแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆแสดงมากที่สุดแสดงที่สังขารโลกเพื่อให้มีผลประโยชน์แก่สัตว์ตวโลกนะสังขารจึงมีในรูปแบบต่างๆแสดงจนสังขาร เพื่อมีเป้าหมายจนลายเป็นวิสังขารคือไม่ต้องมีสังขารอีกต่อไปนั่นก็เป็นเป้าของพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นข้อความในตอนสุดท้ายนะฮะในตอนสุดท้ายของธรรมจักรแต่เพื่อต้องการให้ท่านเห็นว่าสวรรค์ทั้นต่างๆที่เราเรียนกันในเมืองไทยนั้นมันเป็นการเป็นแนวความคิดแบบพราหมนะฮะแนวความคิดแบบพราหมณ์แล้วก็เอาจานแบบจานซ้อนนะฮะมาเคยพบในที่ไหนนะมันมันมันมีซ้อนนันรับฐานนี้่ ไปยืนดูแล้วก็ขำขามาเนี่ยบางทีเราก็ถูกพราหมเขาครอบแต่อย่าลืมวาถึงแม้ถูกครอบจากพรามนะฮะแต่จุดจริงๆของพราหมณเองก็คือต้องทําดีละช่วงเหมือนกันนะจึงจะขึ้นสวรรค์ได้นะไม่งั้นเราขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้ตกนรกไอ้แค่คำมา ข, ขึ้นสวรรค์ตกนรกในความหมายของเรานะหมายถึงสภาพจิตที่มันตกนะขึ้นก็คือสภาพจิตที่มันขึ้นสูงมาฐานตรงไหนฮะมาฐานอยู่ตรงกลางคือธรรมะ ธรรมะเช่นสมมติว่าธรรมะที่ขึ้นสูงอยู่ในระดับของเมตตาเนี่ยเมตตาที่แผ่ไปทั่วสรรพสัตว์เราก็ถือว่าธรรมะมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นสูงนะทีนี้ถ้าตกลงมาก็กลายไปไเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพยาบาทมันก็ตกสภาพจิตมันก็ตกตกบางกเออ็เวลาตายมันก็ตกตกนรกคือภูมิหรือภาวะแบบชีวิตที่มันต่ำนะฮะพูดถึงของสูงของต่ำเท่านั้น เราไม่ได้พูดถึงว่าซ้อนๆการใลนลักษณะดังกล่าวเวลานี้ก็กหมดเวล า, าก้อนมรณาท่า น, น